ในหลักสูตรนักธรรมตรีบทแรกที่พวกนักธรรมตรีเขาเรียนกันอาจจะเป็นพระเป็นเนเนหรือเป็นผู้ที่สนใจบทแรกแรกในทัศธรรมตรีก็จะกล่าวไว้ว่ารรมมีอุปการะมากมีสองประการคือสติความระลึกได้แล้วก็สามปชัญญะความรู้ตัวนี่แหละคือ ท, ที่มีอุปการะมากซึ่งเขาได้เรียนกันแต่ว่าจะมีอุปการะมากกับเราแค่ไหนนั้นเราต้องลองพิสูจน์ดูแค่รู้จารู้จักจากการอ่านการเรียนการต้องจาเพื่อสอบเอาคะแนนอันนี้ก็ทำได้แต่ว่าจะมีอุปการะน้อยจนกว่าเราจะมาลงมือทาเอาธรรมะที่ด้ราเรียนมาเนี่ยเอามาลงมือปฏิบัติให้ได้รับผลภายในจิตในใจเรา จริงๆถือว่าธรรมะนั้นมีอุปการะต่อเราเราเพียงแต่มีสติลงไปที่กายที่ใจเราพอเราพลิกมือเราเระลึกได้เราก็มีสติแล้วแต่เรารู้ตัวเรากําลังพลิกมือเฮ้เราก็มีสามัชนญาเวลามันเกิดความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นที่ร่างกายเราก็ดีใจแล้วก็ดีเช่นมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรา ระลึกได้เราก็มีสตินะเรามีความรู้ตัวว่าเรากําลังเป็นทุกข์นะอันนี้ก็มีสัมชัญญาหรือบาทีมันเกิดความคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆในทางด้านจิตใจเพรจิต ม, มันคิดขึ้นมาเนี่ยเราเระลึกได้เราก็มีสติและเรารู้ตัวว่าเรากําลังคิดอันนี้คือมีสัมชัญญาอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนี่แลหละหมือบาทีมันเกิดความง่วงขึ้นมาในจิตใจเรา เราเราลึกได้ว่ามันง่วงอันนี้เราก็มีสติเราก็จะมีความรู้ตัวว่าเราง่วงนะ น, นี่เราก็มีสัมัญจัญญานี่เราเป็นการปฏิบัติให้เรามีสติมีความรู้ตัวลงไปที่กายที่ใจคือในกายในเวทนาในจิตหรือในธรรมไอนน้เราก็ได้ปฏิบัติให้บางท่านก็สงสัยว่าอ้าวแล้วเวลาที่เรากําลังดื่มสุราล่ะแล้วดื่มสุราเนี่เราก็มีสตินะเรากําลัง เลงเปยไปที่นกจะยิงนกเนี่ยเราก็มีสตินะก็ถูกอยู่แต่วันนั้นไม่ใช่สติน่ะอันนั้นเป็นความหลงคนที่มีสติจะไม่ทําอย่างนั้นเลยการดื่มสุลาการผิดศีลขาสัตว์ลักทรัพย์ตะเพิดปิดในกามพูดเท็จลักขโมยแต่อาการของการผิดศีลเนี่ยเรียกตัวว่าเป็นคนที่ขาดสติสติเนี่ยต้องเกิดในกิจที่เป็นกุศลสติเป็นธรรมที่มีกุศล เป็นธรรมที่มีประโยชน์เป็นธรรมที่มีอุปการ์ละเขาจะไม่เกิดในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมสติเป็นจิตที่ดีในภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าโสพนธ์จิตคือจิตที่ดีงามเท่านั้นถ้าว่าเราทําความผิดเนี่ยถือว่าไม่ใช่สติเมื่อเกิดสติแล้วเนี่ยจะมีความรู้ดีรู้ชั่วรับผิดชอบอันไหบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สติจะทําหน้าที่แยกแยะได้เพราะฉะนั้นสติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีความรับผิดชอบ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 ถ้าเป็นสติแท้ๆแล้วเนี่ยจะไม่ทําอย่างนั้นมีสติมากๆแล้วเนี่ยผล ม, มันก็จะตามมาเป็นครัวเลยอย่างเช่นในตัวสติในความรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็จะมีสมาธิร่วมด้วยเสมอๆแค่เรามีสติร่วงลงไปที่กายที่กําลังเคลื่อนไหวหรือที่ใจที่กาลังคิดกําลัง น, นึกเราก็จะมีสมาธิรวมอยู่ด้ว ย, วยจิตจะรวมลงไปที่อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งที่กายเคลื่อนไหวหรือที่จันทร์คิดมันนึก ก็จะมีสมาธิร่วมด้วยอาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่เมื่อมีสติมีสมาธิมันก็จะเบิกบานจิตมันจะเบิกบานในอารมณ์นั้นสังเกต ด, ดูได้ถ้าเราขาดสติในจิตจะไม่เบิกบานความเบิกบานของจิตเนี่ยจะมาคู่กับสติเสมอเสมอมาคู่กับสมาธิเสมอเสมอมีสติมีสมาธิมีความเบิกบานแล้วก็จะมีความเพียนอย่างหลักฐานใน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 การสอดซ่องทำมันจะเห็นรูปเห็นนามเกิดธรรมะวิทยาในจิตใจเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนมองอะไรก็เป็นธรรมไปหมดแล้วต่อมามันก็จะมีความว่างเบาเป็นปีติเป็นความอิ่มอกอิ่มใจเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันใจก็จะเป็นกลางกลางมั่นคงจะไม่ค่อยหวั่นไหวกับอารมณ์อะไรที่มากระทบเนี่ยเริ่มต้นจากการมีสติ มีความรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นก็จะมีทั้งสมาธิมีทั้งความเพียรมีความอิ่มอกอิ่มใจมันจะมีแต่วความผ่อนคลายเป็นปกติเป็นกลางกลาเป็นกระบวนทํา ท, ที่เกือ้อหนุนกันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะสติรู้ทันในความคิดสําคัญมากลุงมาเทียนท่านก ล, าล่าวไว้ว่าถ้าเรามีสติตามรู้จิต เรรู้ในความคิดโดยที่จิตใจเราไม่ได้ไปบังคับไม่ต้องบังคับให้มันหายไปแค่รู้เฉใๆวางใจเป็นกลางๆจิตเราก็จะพ้นจากปัญหาต่างๆพ้นจากโรคประสาทแล้วก็นอนหลับสบายเมื่อจิตใจดีแล้วเนี่ยมันก็มีผลสุขภาพจิต ด, ดีแล้วก็มีผลทำให้สุขภาพกายดีด้วยนี่เป็นการฝึกจิตล้วนๆแต่ก็ส่งผลมาให้ร่างกายเราเย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 สุขกาเราเรียนกันถ้ า, าว่าเราถือว่าทํำนี่มีอุปกราระต่อเรามากนั้นต้องได้รับผลจากการปฏิบัติก่อนจริงๆว่าเป็นอุปกราระกับตัวเราเราจะเรียนนักทำตีนักธทำโทนักทำเอกแต่ว่าไม่ได้ลงมือปฏิบัติยังมีความทุกข์อยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าสติสัมปชัญญะยังไม่อุปกราระเราเราไม่ต้องเรียนก็ได้เพียงแต่เราร่วมือปฏิบัตเิเจริญสติลงไปที่กายที่ใจเราเลย ไม่ต้องจบนักธรรมเอกแต่เราก็จะจบนักธรรมใจนะนักธรรมใจที่สําคัญนะนักธรรมใจไม่ให้เป็นทุกข์เนี่ยไม่ต้องจบนักทางเอกก็ได้แต่ถ้าจบนักทรรเอกแล้วทำใจได้ไม่เป็นทุกข์ได้ก็ดีแต่ว่าถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะเรียนถึงนักธรรมเอกแต่เราปฏิบัติจนจบนักธรรมใจไม่ให้เป็นทุกข์ล้วก็ใช้ได้เลยได้รับสิ่งที่เป็นอุปการะมากคือสติสมัมปญญาภายในจิตใจเราแล้ว